เอ่อท่านผู้ฟังทั้งหลายและท่านผู้อ่านด้วยตอนนี้ก็ขอ <c oughs> โดยพออย่างยิ่งบนสวรรค์ชั้นปีก็จึงคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาสมควร จึงกราบเรียนท่านท่านปู่ว่าท่านอย่าปู่ท่านปู่เชียวคะหนูอยากจะทราบว่ามีพระ ไม่สามารถฉะนั้นอยากจะทำบุญอยากจะเป็น <c oughs> ในการไปเกิดของเธอคราวนี้ก็มีความประสงค์ว่าจะต่อบุญบารมีไปนิพพานเลยไม่กลับมาดาวดึงใหม่แต่ว่าท่านท่านเทวะสักกะเทวราชนึกในใจไม่ได้พูดแต่ตอนจะพูดก็พูดว่าหลานรักจุลัยหลานของปู่เทวดานํา ยังมัททกุณฑลีเทพบุตรก็ดีสุปฏิทิตาเทพบุตรก็ดีสาธเกยเทพธิดา จุไรก็กราบเรียนกราบท่านแล้วบอกว่าขอท่านปู่นําไปด้วยเจ้าค่ะท่านปู่ก็บอกว่าหลานรักถ้าปู่นําไปนะหลานจะ <c oughs> ท่านหลานใหญ่จะพูดจะคุยกับเทวดากับนางฟ้าเฉพาะโดยองค์โดยตรงๆแล้วไป เป็นอันว่า 2 คือท่านบุเรงนองกับเอ่อปิยะเจาวีก็น้อมกราบคือยกมือไหว้น้อมทิศะรับคำท่าน ท่านก็ถามว่าท่านอินทกะจุลัยเนี่ยเคยเป็นลูกเป็น วิมานแรกที่ไปก็คือของมัตตคุนทลีเทพบุตรคือว่านี้เวลาเป็นพระอริยเจ้าจากพระเดชพระจบแรกเป็นพระโสดาบันแต่ปัจจุบันนี้จะเป็นนั้นก็มีใครบอกใครเอาก็แล้ว เพรภา 2 สีขึ้น มีทั้งมุกมีทั้งสุ่มมีทวิมานและวิมานน้อยมีรั้วรอบขอบทิศไม่สวนมีมีสวน 2 คนมอง สรรพมังคายคิงในแบบนี้แต่ว่าวิมานแต่ว่าวิหารของท่านปู่ที่สร้างไว้ที่วัดๆเป็นคอนกรีตเป็นทรายเป็น ท่านได้เห็นสวนพฤกษ์นี้สวย น้อยกับตัวอะไรก็ทําความครบท่านเจียงของวิมานท่านเจียงของวิมาน <c oughs> เพียงตั้งใจนึกถึงจนๆที่ไม่มี แต่ว่าเพราะฉะนั้นนี้เพราะว่าในสมาคมนั้นเขาไม่นิยมเขา <c oughs> จุไหลฟังท่านมัททกุณฑลีเทพบุตรพูดยาวพอเข้าไปครึ่งตอนคือก็ยกมือไหว้แล้วก็กราบกล่าววาจาขัดตอนว่าท่านเทวรุ่ง อันมัทรกรณลีเทพบุตรก็บอกว่ามนุษย์ทุกคน แต่บัดนี้ลุงเป็นเทวดาเจ้าเด็ก ถ้าเรียกเทวาลุงหรือคุณลุงหรือท่านลุงก็ตามจะไปคนห่างกันค่อยเรียกลุงเฉย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรารู้จักกันมาก่อนนึกถือว่าเราเปิดกันเองจนใ sprite ก็เปลิ่มใจกระถามว่าคุณลงเจ้าข้าคือท่านปู่สั่งมาว่าคุณลงจริงๆวันนี้อยากจะให้ท่านลงอินทากาศทางสองหรือท่านโปะสั่งมา เมื่อก็ไม่ยกไม่เคยยกไม่ไหว้เทศก็ไม่เคยฟังถ้าอยากจะทราบว่าคุณลุงมาได้ยังไงเจ้าคะท่านมัตตกุณฑลีก็บอกว่าอยากจะฟัง <c oughs> ใกล้ใกล้กับบ้านลุงมาที่เมืองนั้นที่แล้วก็เดินบิณฑบาตก็ผ่านหน้าบ้านลุงแต่ก็ <c oughs> แต่ตระกูลใดๆก็ตามนอกจากตระกูลกษัตริย์จะเสมอตระกูลพราหมณ์ไม่มีพราหมณ์ก็เลยไม่ยอมรับนับ ท่านพ่อท่านก็ไม่เคารพแล้วก็สอนให้ทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ก็ดีลูก <c oughs> คนอื่นที่แปลว่าเปล่าๆและไร้ประโยชน์ก็ช่างเถอะลุงขอใช้สัตว์ธรรมดาว่าเหลวไหลไร้ประโยชน์ไม่เป็นความจริงความจริง เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ห้ามใส่บาตรห้ามปังเทศทายะธรรม เสพประวัติความเป็นมารก็ตามท่านก็ปรากฏว่าท่านออกจากบ้านจากวังไปอยู่โคนต้นโพครูบาอาจารย์ก็ไม่มีแล้วจะเรียนกับใครวิชาความรู้ต่างๆนี่มันต้องเรียนกันเอ่อแล้วก็ท่านมัทธิกุณฑลีก็อ่านมัท ก็ไปเห็นว่าในเมื่อทุกคนเขาไม่เคารพในเหตุในแม่พ่อแม่เป็นตระกูลมหาเศรษฐีตามบาลีจะเรียก แปลว่าพราหมณ์ผู้ไม่เคยให้อะไรใครฮะแม่เคยให้อะไรใครในการก่อนน้ําหมายความขึ้นชื่อว่าทานการกุศลนี่ตระกูลของหลวงไม่เคยให้ใครเลยขี้เหนียวที่สุดก็ขอพูดง่ายๆว่าโง่ที่สุดจุลัยยิ้มแล้วยกมือไหว้ทางคุณลุงเจ้าคะไปว่าตระกูลว่าตระกูลท่านตระกูล ท่านมัจจกุณฑลีก็ว่าลุงว่าทุกคนที่เขาโง่แต่คนไหนที่ไม่โง่ลุงไม่ได้กล่าวถึงใคร <c oughs> พ่อแม่ของลุงนคีเหนียวหมอมารักษาก็เกรงยาเองก็ราคาแพงที่ยาจากร้านหมอร้านตลาดจึงไปหมอบอกว่าโรคผิวคือลุงเป็นโรควรรณโรคเป็นโรคผีในท้องแต่ก็มีโรคแทรกหมอมีหลาย ในเมื่อละพ่อพ่อคือลุงรับฟังแล้วก็มาหายาการบ้านหาหาต้น ป้าลุงปุ้ยก็จะมาเยี่ยมพอเดี๋ยวคนที่มาเยี่ยมเห็นของที่มีราคาสูงๆโซ่ๆจะขอก็เกรงใจกันจะ เค้าเลือกกันว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระสมณโคดมท่านเดินไปเดินมาบินนบทผ่านหน้า พอเวลานั้นลุงนึกแต่เพียงว่าขอให้ท่านมาเป็นหมอรักษาลุงความ สมเด็จพระอรหํโลกนาถกระฉายฉัพพรรณรังสีและเสมิอุปการเป็นแสงสว่างกระทบในตา ก็พอดีตายเวลานั้นแต่ก่อนอย่าตายหลานรักลุงเห็นเทพบันไดเห็นนางฟ้าในอากาศเต็มไปหมดสวยสดงามต่างคนต่างก็เชิญว่าไปอยู่กับฉันที่จะ แต่ขณะนั้นลุงเองก็มีเครื่องประดับประดาเต็มที่แต่ว่ามันเคลี้ยงทั้งหมดหลานรักพี่มอยก็เป็นทองคํา แต่ว่าตอนหลังนี่หนูสงสัยเจ้าค่ะคุณลงบังวิมานด้วยม่านทองคําเกลี้ยงแต่เครื่องประดับก็เป็นเครื่องประดับทอง ได้ ท่านช่วยให้พ่อให้ลุงพ้นจากความตายคือคํา ว่าที่ลุงขึ้นมาเกิดขึ้นมาใหม่ๆบนวิมานนี้ ไม่มีรั้วล้อม 1,000 เป็นบริวารนางฟ้าเวลานั้นรูปร่างหน้าตานั้นสวยแต่ขึ้นระดับก็ไม่ แนจุลัยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นลุงเอาเครื่องบรรดับที่เป็น เป็นแต่แพทย์พิงนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มารักษาโรคเท่านั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ปรากฏว่าลุงมาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้โดยไม่ต้องลงทนนี่การที่จะ แล้วก็มีวิมานแผวพราวปริยัพเมื่อท่านลุงพูดอาการทั้งหมดก็เกิดขึ้นก็มีทุกสิ่งทุกอย่างในเขตวิมานนี้เป็นเครื่องเพลิดใจที่มีขึ้นมาได้ก็ <c oughs> จุไลก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องราวความเป็นมาเป็นยังไงขอลุงบอกให้ทราบด้วยท่านลุงก็บอกว่าที่งั้นหลังตั้งใจฟังนะ กับสิ่งทุกอย่างเป็นทองคําล้วนมีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารสวยสดงดงามมากสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ลุงยังไม่ ที่เมืองเทวดานี่เค้ามีระเบียบนะแล้ว ท่านลุงยิ้มก็ถามหลานแล้วก็ <c oughs> ตัวตัวฤาษีว่าเห็นว่าสรรพสมบัติทั้งบัดที่ อ๋อท่านได้ผู้มีพระภาคเจ้ากับพระลุง ตามประเพณีของพราหมณ์แต่ว่าเห็นพ่อไปยืนร้องไห้ป่นเพ้อขอให้พ่อเอาไว้ลุงไปเกิดใหม่ลุงก็คิดในใจว่าพ่อของลุงนี่เป็นคนโง่แส้โง่ในฐานะที่ประกาศตนว่าเป็นครูของ ในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็น ต้องให้คนเค้าเช็ดไปขี้สีไปเกี่ยวช่วย กำลังไปยืนอยู่ที่ปากหลุมร้องให้ต้องการให้ลงไปเกิดใหม่ต้องการเป็นลูกตาม จึงแปลงแปลงแปลงกายกายา